โอ้คนเขาลูยจักหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ลูจักเขาก็เลยบวชให้เขาบวชแล้วก็ไปชมชีวิตหลวงพ่อบางทีมันอ่าไม่ตอบไม่ได้หลวงพ่อจะอยู่ไว้วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เอาสารถามจะทําไงเนาะหลวงพ่อเลยชีวิตหลวงพ่อเลยตอบไม่ได้เลยไม่ลุยจะกเป็นยังไงขออุทิศชีวิตนี่เพื่อประโยชน์อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ ว่าที่ใดก็เอาทันทีทําทันทีในเดีว อ, อ่าก็ไหวได้อยู่ด้วยก็มีเพื่อนอยู่เราอยู่อยู่คนเบนจวบนกับคณะที่มาอยู่กะดีลังเดียวพอสะดวกไว้ถ้าไม่สะดวกก็กะดีลังหนังที่เขาใส่กุแจตายไปเนี่หลายหลายเดือนแล้วงัดได้ไหมให้เพื่อนพขาเอยู่นะ งัดออกได้ไหมให้ไปพระนิมยมไปดูสถานมีของอะไรเราอยู่ที่นั้นคืออกติกตรมฐานที่เราอยู่ยาได้ใช้สิทไปใส่กุญเจด้านี้ไปขอให้เป็นประโยชน์ผู้ใดมาก็ให้ได้พักได้ทุกสารทิศไม่เป็นของใครถ้าใครอยู่ก็เป็นของคนนั้นอย่าไปแย่งกันนะนั้นก็ขอให้อาจารย์สุทัศน์ ชวนเพื่อนพระไปชวนโยมไปไปงัดกติลังในออกไปเพื่อนของเราหน่าปฏิบัติธรรมได้อยู่ปฏิบัติสะดวกสบายนะจะเห็นไหมคนคนสะอาดคนสะอาดเขาบอกของพองังดกติลังในหลองพ่อไม่รู้มันอยู่ไห้ได้เลยนะก็สมควรใช้เวลา ต่อหยุดลงผงไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะพวกเรากราบพระพร้อมกันอะระหังตมาเฮ้ยจะตีแล้วสมาทานปิณเดี๋ยวเห็นแขยง เ, เย ง, ง, ง, งินแขยงทองกูนะโอ้่อวยจัง รัตตโกระโตระโตธรรมะบังคุสตานัโมโะโะโมัุานโมโะโะโมัุุานระนัาริานระนัาิานระนัาิย สิ่งที่ติดังสรจะส่งที่ตั้งขั้นเสร็จแล้วทำ่งที่พสรจะสิ่งที่ัมสร็จแลทำิ่งที่ตั้งขั ทียังติมานิปัญจิตจาป า, านิมาวิามิทียังติดมานิปัญจาิาปานิมาวิม า, ามิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนโภกระสมปทาสิเลนะมิพุติยันติตัจฉมาสิลังลิโธเถรยิ แตาในตรงนี้กำลังมันจะท า, อ, าะทอื ม, มคิดลุ่นก็ไม่ได้แล้วจะไปรับไปเลยแล้ว <c oughs> หลือว่าไม่คิดมากเรื่องโลกเรื่องร้านกลับไปบ้านจะทำหน้าที่ของตนของต น, ต น, ตนอย่าไปคิดอย่าไปทารอบอวิวากันอย่ซอยกันแด้ว <c oughs> อันดับถ้าในไม่ยังกัณฑะอภุดชามะเขาโฮ จ, จาาิตะท้าพระเจ้ามีคิดอันมากมีนานมากพระโฮเกณีญาท่าพรเจ้ามีคิดกานมีลูกมีห้านเป็นบุษษาาตรพญาพนาคไมีต้องเวลาติดชอบแจะไปฟินเสียงขึ้นได้เอาไปแล้วไม่ไม่เห็นแม่ตุเลยนะยังข้เป็นไรไม่เห็นมาฮะพระพุทธเจ้าก ไม่เป็นไม่เป็นไข้ไม่ป่วยเนาะอ่ะอไม่เป็นไรขอบพระอะระหังสัมมาสัมพุทธโก่อสุตังตันตังสิว สุภิดิสโนภะกวาตุสะตะัถระฉันทัตมา